ไปถิ่นไหนร่มเย็นถิ่นนั้นบ้านน้องผือนาไ น, นจังหวัดสกลนครในครั้งนั้นหลวงตาพักอยู่วัดป่าสุทาวาดเพียงสองสามคืน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 ที่หวังพึ่งหวังได้รับคำแนะนำรับข้ออัดข้อธรรมข้อวัดปฏิบัติจากท่านก็นเลยต่างย้อนกลับมาจำพรรษาที่นี่ด้วยกันเล็กลายเป็นว่าในพรรษานั้นกลับมีพระเนนอยู่ด้วยกันถึง28องค์เป็นที่อบอุ่นเย็นใจแกชาวบ้านหนองผือเหมือนเช่นเดิม